บทที่9รู้จักสุขความสงบเย็นอันประนีตเจริญสุขสวัสดีขอต้อนรับทุกท่านสู่การลิ้มรสความสุขที่เกิดจากความสงบอย่างแท้จริงเพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพชัดเจนครูน้อยขอเปรียบเทียบระหว่างปีติในบทที่แล้วกับสุขในบทนี้ให้ฟังสักเล็กน้อยนะครับปีตินั้นมีลักษณะที่ตื่นเต้นซาบซ่านและเคลื่อนไหว อุปมาเหมือนคนเดินทางที่กระหายน้ำอย่างรุนแรงแล้วได้พบกับโอเอซิสกลางทะเลทรายความรู้สึกดีใจตื่นเต้นโหร้องที่ได้เห็นแหล่งน้ำนั่นแหละครับคือปีติส่วนสุกนั้นมีลักษณะที่นิ่งสงบเย็นและแช่มชื่นอุปมาเหมือนคนเดินทางคนเดิมหลังจากที่ได้ดื่มน้ำจนชื่นใจหายเหนื่อย และได้เข้าไปนอนพักอย่างสงบใต้ร่มไม้ในโอเอซิสนั้นความรู้สึกผ่อนคลายอิ่มเอมและปลอดไทยที่เกิดขึ้นนั่นแหละครับคือสุขดังนั้นสุขในสมาธิจึงเป็นสภาวะที่ประณีตกว่าปีติเป็นความสุขที่เกิดจากการที่จิตได้ปล่อยวางจากความตื่นเต้นและได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ในความสงบเป็นความรู้สึกพอเต็ม และสมบูรณ์อยู่ในตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งกระตุ้นจากภายนอกเลยเมื่อสภาวะสุขนี้เกิดขึ้นหน้าที่ของเราก็ยังคงเหมือนเดิมครับคือการเป็นผู้รู้ผู้ดูที่วางใจเป็นกลางแต่ในคราวนี้เราไม่ได้เพียงแค่เฝ้าดูแต่เราสามารถที่จะพักและเอนกายเอนใจลงในความสงบนั้นได้เหมือนกับการที่เราได้แช่ตัวลงในบ่อน้าที่ใสสะอาดและเย็นสบาย เอาละครับเรามาเตรียมจิตใจของเราให้พร้อมเพื่อที่จะได้สัมผัสกับความสงบเย็นอันประณีตนี้กันณบัดนี้ขอเชิญทุกท่านกลับมาสู่ท่านั่งที่สบายจัดวางกายให้สงบตั้งมั่นและปิดเปลือกตาลงอย่างนุ่มนวลเริ่มต้นจากการทำกายให้ร่มเย็นหายใจเข้ารับความสงบเข้ามาหายใจออกปล่อยความตึงเครียดออกไป พักกายพักใจของเราให้อยู่ในสภาวะที่โปรง่งเบาและสบายที่สุดณที่ตรงนี้ในความสงบนี้เราไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงแค่พักปล่อยวางความพยายามทั้งหมดปล่อยวางความอยากรู้อยากเห็นเพียงแค่อนุญาตให้ตัวเองได้พักผ่อนอยู่ในความสงบนี้หากมีปีติเกิดขึ้นก็รับรู้แล้วปล่อยให้เขาค่อยค่อยจางคลายไป หลังจากนั้นท่านอาจจะเริ่มสังเกตเห็นความรู้สึกที่แตกต่างออกไปเป็นความสงบที่แช่มชื่นเป็นความอิ่มเอมที่นิ่งและเย็นเป็นความสุขที่ไม่ตื่นเต้นแต่ลึกซึง้งเมื่อท่านได้สัมผัสกับความสุขนี้ให้รับรู้ด้วยใจที่ตื่นรู้อยู่ว่าอ๋อสุขเกิดขึ้นแล้วจากนั้นขอเชิญท่านค่อยๆเอนกายเอนใจลงพักผ่อนในความสุขนั้น ให้จิตของเราได้อาบไล้และชุ่มชื่นอยู่ในความสุขสงบนี้ลมหายใจอาจจะเบาและละเอียดลงไปอีกก็ไม่ต้องกังวลเพียงแค่พักอยู่ในความรู้นี้รู้ว่าสุขรู้ว่าสงบรู้ว่าสบายก็เพียงพอแล้วให้เราพักอยู่ในความสุขนี้เหมือนการนอนแผ่ลงบนผืนหญ้าที่นุ่มและเย็นสบายใต้ร่มไม้ใหญ่ปลอดภัยและเป็นสุขอย่างแท้จริง เมื่อปฏิบัติมาถึงสมควรแก่เวลาขอให้ทุกท่านยังคงดำรงอยู่ในความสุขสงบนั้นค่อยๆนำความรู้สึกตัวกลับมาอย่างช้าๆลองขยับนิ้วมือนิ้วเท้าเบาๆแล้วสูดลมหายใจเข้าลึกๆสักครั้งการได้ลิ้มรสสุขที่เกิดจากสมาธินี้คือประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งเพราะมันทำให้เราได้เรียนรู้ด้วยใจของเราเองว่าความสุขที่แท้จริงนั้นมีอยู่ และมันอยู่ภายในตัวเรานี่เองไม่ต้องไปวิ่งสแสวงหาจากที่ไหนเลยประสบการณ์นี้จะเป็นดั่งสเสบียงทางใจชั้นเลิศที่จะทำให้เรามีกําลังใจในการปฏิบัติและมีที่พึ่งพิงภายในเมื่อต้องเผชิญกับความวุ่นวายในโลกภายนอกขอให้ทุกท่านได้เก็บความสุขสงบอันประนีตนี้ไว้หล่อเลี้ยงใจตลอดทั้งวันเจริญสุขสวัสดี